ตังทำกัน <c oughs> เลยเป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมได้ยินได้ฟังแล้วก็นำไปใช้ในเวลาปฏิบัติได้ไประสบพบเห็นกับอันใดไม่ได้ไประสบพบเห็นกับอันใด แต่ถ้าเราปฏิบัติมีสติเราถือว่าถูกต้องแลว้วมีสติรอบโลกตัวก็ใช้ได้มีสติเฉพาะเรื่องก็ใช้ได้สติรอบตัวก็ต้องอยู่เฉยๆลู่โลกรอบไป อ, อันนั้นก็อาจจะตั้งอยู่ได้ไม่นานสำหรับผู้ฝึกใหม่ แต่ถ้าผู้ฝึกจนชะนิจนานแล้วก็เป็นไปเองชีวิตทั้งชีวิตไม่มีอะไรไมีแต่วความรู้สึกตัวสำหรับผู้ฝึกใหม่ต่อาศัในิมิตเกาะไปก่อนนิมิตก็คือรูปแบบของการสร้างจังหวะสิบสี่จังหวะให้มันคุ้นเคยไปกับ จังหวะที่เคลื่อนไปรู้ไปพร้อมๆกันกับอริบ ท, ที่เคลื่อนไปการเคลื่อนไหวกับความรู้สึกถือว่าเป็นอันเดียวกันไม่ต้องไปพยายามที่จะให้มันรู้ไม่ใช่มันลงเรากับพยายามที่จะเป็นคนละเรื่อง มันก็ไม่ใช่ตัวรู้ตัวเดียวนะอย่าให้มันไกลอยาให้มันหา่างความหลงก็เป็นความรู้ได้ความสุขความทุกข์ก็เป็นความรู้มันก็ว่าความรู้สึกตัวนะไปไปลบทุกอย่างให้เป็นความรู้สึกตัวอย่าถือว่าเป็นเรื่องผิดอย่าถือว่าเป็นเรื่องถูกการปฏิบัติธรรม เรามีตัวรู้สึกตัวเราก็ก็ถูกต้องแล้วอยู่โดยชอบแล้วอาจจะเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิหรือว่าจะเป็นมรรคก็คเป็นองค์มรรคแล้วทั้งหมดคือความรู้สึกตัวไม่ใช่แปดอย่างไม่ใช่แปดอย่างเรามีความรู้สึกตัวก็ถือว่าครบกาคิด ก็รู้สึกตัวถ้าพูดก็รู้สึกตัวถ้าทําก็รู้สึกตัวนั่นแหละคือตัวหมักแล้วการทําอะไรการคิดอะไรการพูดอะไรการใช้ชีวิตอย่างไรเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละจะเป็นตัวปฏิบัติดีความรู้สึกตัวก็เป็นตัวปฏิบัติตรงความรู้สึกตัวก็เป็นตัวปฏิบัติออกจากทุกข์ ผรู้สึกตัวก็ปฏิบัติสม่ำเสมอมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไม่ผูไม่แฝดไม่ม่สุขไม่ทุกข์ไม่ไม่บวกไม่ลบเดีวเสมอสม่ำเสมอันเดียวกันตายเห็นโลกก็ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกข์ปฏิบัติสม่ำเสมอไม่ใช่ไปยินดีไม่ใช่ไปยินร้าย โดียินเสียงก็อันเดียวกันปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตอกจากทุปฏิบัติสมควรปฏิบัติตมตไม่เป็นอะไรกับอะไรนี่คือตัวการเจริญสติเดี๋ราทําให้มันไปทางนี้อย่าให้มันไปทางสุขอย่าให้ไปทางทุกข์อย่าให้ไปทางยินดีอย่าให้ไม่ต้องไปทางยินไล่ไม่ต้องไปชอบไม่ต้องไปไม่ชอบ เราดำเนินอยู่อย่างนี้โอกนี้สติก็ดําเนินไปอย่างนี้เมื่อดําเนินไปอย่างนี้มันก็มีอะไรที่มันถ้าเป็นความโสกปกุกก็สะอาดไปถ้าเป็นความหนักมันก็เบาไปมันก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อผลินิพพานมันไปเองแตไม่มีความรู้สึกตัว ถ้าไม่มีความรู้สึกทวมก็ไปเองอันแบบหนึ่งเหมือนก่อนพราะเราจึงอุ่นใจผู้สอนก็ผู้สอนก็สบายผู้ทมก็สบายเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามั่นใจในในการสอนว่าปาตถฐาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกส่วนการกระทาเป็นหน้าที่ของพวกเธอนะ แสดงว่ามันสุดยอดแล้วการปฏิบัติทำการเจริญสติถ้าทำมันก็จะเห็นอะไรแล้วก็เห็นอะไรก็มันก็เรียนรู้ไปด้วยกับภาวะที่เห็นกับภาวะที่มันเป็นเห็นความ่วงเมาหอนอนตัดมีสติมันก็ว่าไปเองมันก็ทักท่วงไปเองเห็นความคิดมันก็ทักท่วงไปเองเห็นการมราลาคะมมันก็ทักท่วงไปเองเห็นพยาบาทมันก็ทักท่วงไปเอง ก็แลวกไปของมันเองถ้ามีสตินะน่ะปฏิบัติเอาเองหน้าที่ทำไปเองไม่มีใครหรอกถ้ามีสติจะไปสยบ ก, กับสิ่งใดแต่ตัวโลกมันก็เด็ดอยู่แล้วอันตัวหลงมันก็จอกจ้อยมันปนปนปลอมปลอมมาถ้าเลยรูดแล็วกับมัน มันมีอะไรที่จะทำให้หลงเห็นเราไปหาเก็บเห็ด น, น, น่แต่เห็ดตันไหนที่มันกินไม่ได้ไม่มีใครไปเอามาปนหมูเท่คนที่เก็บเห็ดไปว่าไปจับปลาถ้าไม่ใช่ปลาไปเอา่อนไม้ไปเอาใบหญ้า แไปเอาแมลงมันก็ไม่เอาอคนที่จับปลามันก็ลุยจับปลาคนที่เก็กบเห็ดมันก็ลุยจักเห็ดคนที่หาเงินมันก็ลุยจักเงินลุยจับธนาบัตรในประเทศนั้นนั่นแล้วอันไหนที่มันไม่ใช่ธนบัตรเอากระดาษมามันก็ไเอาแล้ได้มีความรู้สึกตัวว่จะอย่าลวกปลากโลภปลาก ออย่าสุรุสุร่านะอย่าด่วนถ้าความรู้สึกตัวก็พายว่าไม่เป็นอะไรพอดีพอดีนะเห็นอะไรก็พอดีพอดีถ้ารู้สึกตัวนะแต่ถ้าหลงมาเกี่ยลกับลาอะไรก็จะยึดเอาถือเอาถ้าหลงนะโกรธก็เอารักก็เอาชังก็เอาสุขก็เอาทุกข์ก็เอาอคนหลงดอกไ้าเป็นอะไรแตความรู้สึกตัวนี่ยไม่เป็นอย่างนั้น เราจัดจัด ก, การเราจัดจัดสรรเราจัดแบ่งปันเราจัดเยี่ยวยารู้จัดทำให้ถูกใครชอบอยู่เสมอความถูกความชอบน้าไปความรู้ตัวเป็นพลังเป็นแนวลว่วกหลายอย่างที่เป็นกําลังเสริม ไม่ศรัทธาบ้างไม่ความเพียรบ้างไม่การสำรวมบ้างไม่การปริกวิเวกบ้างไม่คุกคีไม่หมกมุนไม่หลงไหลถ้ารู้ตัวนะไปได้เยอะแ้าไม่รู้กตัวมือนก็น้ำหายใหญ่ ไหลมาวัดป่าสุกโ ต, โตัวพาเอาขยะแถวหลงหัวไปหมดหัวน่ำหมดแท้งไปสะอาดไปหมดเลยความรู้สึกตัวก็เป็นยังไงไม่รู้เลยว่าอะไรที่มันไปพอมันได้รู้แล้วโอ้ตัวหลงคนละเรื่องกันเลยเลยแต่มันได้รู้แล้วตัวสุขตัวทุกข์คนละเรื่องกันเลยเลยคนละเรื่องกันเลยคนละโลก คนเราพกคนเราภูมิกันแล้วมากระโม้นน้ํำลายออกจะไปเอาน้ำลายคืนมาไม่มีใครทําได้อย่างนั้นเหมืนความโกรธความโลภความหลงอของที่มันหลุดออกไปแต่ของที่มันไม่ยังยังไม่หลุดเนี่ยมันก็ไม่รู้หอก ผู้ปฏิบัติเรว่าปัจจตังนั่นแหละของที่มันหลุดออกไปแล้วแสดงว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีของที่มันจริงมันต้องอยู่ของจริงมันต้องอยู่ผมรู้สึกตัวอยู่ตลอดความหลงอยู่ไม่ตลอดความทุกข์ก็อยู่ไม่ตลอดเพราะอะไรจริงอะ กิเลสตัณหาพยาบาทอะไรไม่กิ่งหรอกแต่ของที่กิ่งมันต้องอยู่ตลอดโลภะโทสะโมหะอะโลภะอโทสะโมหะนี่อธรรมยอมะนะ่อมชนะอธรรมเส ม, มอไปความโลภก็ย่อมชนะความหลงเส ม, มอไปความไม่ทุกข์ก็ย่อมชนะความทุกข์เส ม, มอไปไปอยนั้นตัวปฏิบัติธรรมจริง พระเจ้าจังเพียงแต่บอกท่าโ น, น่นโคลนไม้โน่นเลือนบ้างโน่ น, นปา้าอ่าเราบอกเราก็พากันไปพิกิตทั้งหลายเข้า ไ, ไปแต่เราก็ไปเจริญสติไปดูแลตัวเองแต่ <c oughs> ด้รู้สตัวเราไปรอดแม้พระธรรมวิ น, ยนัยนะโ้ใดแม่บวชใหม่ ถ้ารู้สึกตัวมีสติก็ไปได้คนเดียวไม่ใช่เป็นนิสายมุดตะกะแต่ผู้ใดบวดมาแล้วไม่มีสติก็ต้องมีเพื่อนยังเป็นนิสายมุดตะกะต้องห้าปีก่อนต้องไปกับเพื่อนกับมิตรถ้ามีสติต่อไปไปคนเดียวปานนั่นนะวินัยก็ยังว้นไปนั่นเว้นได้ไานั้น เราจะมาสร้างตัวนี้ให้เป็นบุกเบิกนะเป็นการบุกเบิกอย่าเพิ่งทิ่งหลักแต่ยังไม่เก่งต้องคอยเก่งแล้วก็ยังที่งไม่ได้หลอกไม่แต่การคำนวณอะไรต่างๆต้องมีหลัก มีสูตรอางขันิตศาสตร์อย่างนีวิทยาศาสตร์อย่างนีเหมือนเขาทํำน้าเราต้องเอาน้ำมีเครื่องมือมาตรวจผ่านหรือไม่ผ่านอ่ามันก็มีหลักความถูกต้องชีวิตของเราก็ประมานกันมันต้องมีหลักนะหลักสูตรสูตรของมันจริงๆที่จะต้องลือ้อถอนก็มีสติดูกายนี่แหละ เห็นกายเห็นเป็นลูกมั้หละเหมือนกับเขามีเครื่องมือตัวหน้าพอไปเอาเครื่องมือไปใส่กับน้ามก็เห็นเป็นหน้าเห็นไม่ใช่หน้าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หน้าเอาออกไปกลิ่นก็ อ, ออกไปให้มันเป็นกลิ่นของน้าให้เป็นรสของหน้าทําไมเช่นนั้นมันใช่ไม่ได้เครื่องมือเขาก็ำจัดออกไปก็ผ่านถ้าเอาสิ่งที่ไม่ ใช้กินของน้าเอาออกไปกิ่นที่ไม่ใช่รสของน้ำเาออกไปก็เป็นน้าชีวิตของเราก็ต้องเป็นชีวิตความโกรธไม่ใช่ชีวิตความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตความหลงไม่ใช่ชีวิตกิเลสตัณหาปัจจับฏไม่ใช่ชีวิตชีวิตต้องไม่เป็นไปอย่างนั้นชีวิตต้องเป็นชีวิตก็ไม่โกรธเป็นชีวิตก็ไม่หลงเป็นชีวิตก็ไม่ทุกข์เป็นชีวิตเรียกว่าได้ชีวิตคือไือได้คือคงเส้นคงวา เห็นกายเห็นเป็นลูกเห็นไหมเห็นโลกไหมมันมันเป็นลกูกเห็นใจเห็นเป็นนามมันเป็นโลกเป็นนามถ้าว่าใช้โลกใช่นามมันจะมีประโยชน์อะไรคือคนตายคือท่อนไม้ท่อนปืนอเราจะต้องให้มันไปถึงนั้นแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตแต่มีลมหายใจ ม่ใช่นี่มันเป็นกรรมด้วยซ้าไปาหายใจเข้าหายใจออกรักรักชังชังกดกดสุขสุทุกข์ทุกข์เราเป็นกรรมเป็นกรรมรับก่อนชังไม่สุขมีทุกข์ไม่ผิดไม่ถูกไม่ได้มีเสียมันเป็นกรรมมันไม่ใช่พ้นกรรมต่อชีวิตแบบนี้มีกรรมเป็นเวรเป็นกรรมเป็นวิบาก อยยังสุขยังทุกข์ยังโลภยังโกรธยังหลงยังรักยังชังยังกินดียังกินไายังชอบยังไม่ชอบวิบากกรรมถ้ามันพ้นกรรมมันต้องไม่เป็นอะไรต้องเห็นเป็นรูปมาทธรรมเห็นเป็นนามธรรมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นรูปจริงๆริงมันเป็นนามจริงๆริงรูปมันก็บอกว่ารูปนี้มันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน นามนี่ถ้าเราไม่ฝึกก็ยิ่งไปกันใหญ่ถ้าฝึกแล้วมันใช้ได้กว่ารูปนามอันรูปเนี่ยต้องเกี่ยวข้องหลายอย่างนามไม่มีอะไรเลยถ้าฝึกแล้วจบก็จบกันไปเลยไม่เป็นอะไรกับอะไรไปเลยแต่ถ้าไม่ฝึกเป็นมากๆใหญ่กว่ารูปนะใหญ่กว่าโลกคุม้มคลองไปคุมอะไรทั้งหมด เอาผิดเอาโถกับเรื่องอะไรทั้งหมดเลยเห็นแสงแดดก็เออทะเลาะกับแสงแดดเห็นละอองฝนก็ชนะกับละอองฝนไม่มีเลยที่จะไม่เป็นภาระถ้าไม่พัฒนานามในสุขสนถ้าพัฒนาได้แล้วคงเส้นคงวาเพิ่งพาอาศัยเป็นอันเดียวอยู่จบลงแล้วไม่มีภาระอีกแล้วไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับนามอีกแล้ว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 แต่ลูก ไ, ไม่มีพิมุตต์มีิมุตต์มันมีแต่เรื่องของนาวเรื่อความหิวไม่มีใครพ้นหิวไปได้ความร้อนไม่มีใครพ้นความร้อนไปได้ความหนาวไม่มีใครพ้นความหนาวไปได้ความเจ็บความปวดไม่มีใครพ้นความเจ็บความปวดไปได้มีแต่กําหนดลูกการหมดลู่้วยการบรรเทากำหนดลูยลู่โดยการลู่กําหนดลู่้วยการอะไรไปหนึ่งของลูกไม่มีหมุตต์ในลูก สมมติตรองเจอในานามแต่มันกพ็พ้นพ้นในสิ่งที่มันไม่ใช่ลูกมันเหลือแต่ลูกกิเลตตัญหามันไม่ใช่ของลูกการเสพติดต่างๆไม่ใช่ของลูกเป็นเรื่องนามแต่เรื่องของลูกเป็นเฉพาะมันเหลือเฉพาะเหลือน้อยๆเหลืออาการ เหลือแต่เวทนาล้วนลวนไม่มีอุปาทานถ้าเป็นเวทนาเหลือแต่สัมผัสล้วนล้วนไม่มีสมมูิปัญญะไม่มีไม่มีสมมูิปัญญัติต่อไม่แต่เห็นจากว่าเห็นธรรมดาถ้าเราลูลถ้าเราศึกษามันจะไปอย่างไรมันก็ชีวิตก็ง่ายนะทีแบบน่้แปดหมื่นสี่พันเรื่อง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 บทีทะเลาะกันด้วยการกิ น, กนบางทีก็เอาคิ้งเอาจังเอาคิงเอาจังเอาเกล็ด เ, เอาถูกเช่นพวกเราที่เป็นนรก บ, บวดแถววัดเนี่ยตั้งแต่วันบวชก็บอกกนุูาส์กันต่อไปนน่นะเราอาศัยลำแข้งแล้วนะอาศัยเวิธรบาทนะไปหาซื้ออยู่ซื้อกินชอบอันไหนไปหากินไม่ได้นะ อย่ากินร้อนได้เย็นอย่ากินอ่จืดได้เผ็ดอยอย่าไปข้องเรื่องนี้แล้วอะไรที่ตกบาตมาก็เลือกไม่ได้แล้วเท่านี้นะอาใส่ลําแข้งน ะ, ะไม่เหมือนกะละวาดนะกะละวาดเนี่ยเขาวันนี้จะกินอะไรวันนี้วันนี้เราจะกินอะไรวันนี้เราจะมีอะไรกิน เขาคิดยางไงพวกเราไม่ได้คิดเลยนักปวดเขาจะกินอะไรเราก็ไปซื้อวันนี้เราจะมีอะไรกินมันแสดงว่าไม่มีเราต้องไปหาแต่เราที่เป็นนักวดเนี่ย <c oughs> ไม่ได้คิดหรอกอะไรที่มันมาก็ก็พออยู่ได้ ขี้วอนก็มีเท่านี้สามผืนเท่านี้รักษาให้ดีนะอย่าให้ขาดกระลุงกระเลี้ยงยาให้สกปรกนะอย่าให้เนะหม็นขาวเหม็นสาบนะเมีเท่านี้นะของเราเมื่เท่านี้นะเนี่ยมันก็ก็เรียบลงไปแล้วง่ายลงไปแล้วพี่อ่อาศัยเพื่อบำเพื่อบําบัด เ ร, เรียนลมแดดเพื่อผลฝ่าอากาศเท่านั้นไม่ใช่โอ้สวยดีหรูดีโก้ดีไม่ใช่หรอกให้ป้องกันดินฟ้าป้องกันลมแดดฝนสัา์เลื่อยขาขยารักษาโลกน้มเยี่ยวออกตร ง, ตรง ให้กินอันนียวะบอกเขาฮะเล่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยาพระเจาวสัญญาตองน็้นะโมดน่าอดองก็สมอบ้างขำปองบ้างก็ไม่ต้องดองเอาเลยตื่นขึ้นมาแล้วหาแก้วสักแก้วแล้วเนาะเอาออกไปสักหน่อยแล้วก็เอาตองกลางกลางมัน เขาได้เจ้าแจ้านึงเย็นเจ้านึงรัษาสารพัดโรคเรียกว่ายาพระพุทธเจ้าสลงพ่อไปอยู่สหรัฐอเมริกาโอ้ยเกลื่อนเลยก็กินกันทั้นั้นดื่มน้ำปัสสาวะกันทัางนั้นอแหมยาไม่ใช่ว่ายาอ่าอันโน้นยาอันนี้ไม่มีหรอกยาแก้ง่วงยานอนหลับอะไรไม่ไม่หรอก อาหารก็ก็ธรรมชาติแล้วโ่อาหเนี่ยไปไประชุมเราเสนอเรื่องหนึ่งโรงงานวัดก็จะทอดเทียนมีพิธีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีก็ลเลยถามว่าประเพณีมันคืออะไรไม่ค่อยเห็นประเพณีเท่าไหร่เวลาไปงานอ่ทอดเทียนงาน ประเพทนี้ไม่ค่อยเห็นประเพณีประเพณ น, นีของเราคนโบราณ น, นี่ถ้ามีงานมัดเนี่ยมีงานเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆนะแจงบอนบ้แมนบ้างแจงบอนแมนบ้าสมัยตอนน้องแจงพระคินเล็กแกงนอนใหม่ต่ํางมกมืทอแมนบ้างอดเทียนบุญ <c oughs> เก็บลูกบุญกรถินแข่งบอนแข่งพักินเล็กแข่งนอนใหม่ต่ำบกพุ่งตัวนนี่อะไรข่าวาัวข่าวควายเป็นตัวตัวกันหรือสืบสารตะเพนนี้ก็เลยพูดกับเจ้าคณะอำเภอในเจ้ากณะอำเภอกับสภาวัฒนธรรมแห่งชาติเราจะสืบสารวัฒนธรรมตะเพนนี้ทอดเทียน เป็นชุมชนไป <c oughs> ก็เลยขอขอให้มันเป็นสืบสานวัฒนธรรมไปเปนการอยู่การกินใช่ไว่ามีไปบ้านไหนกินเหล้ากินยาาซ้อยหางๆแน่นบ่ากินวข้วก้วยก็เขาของเราสิาาานแดงคืนๆลาเลือดลาบก้อยโอ้ยเราขอไปเห็นแถว อมเพอแแ่แวงใหญ่แวงน่อยแต่ทุ่มเห็ไปไหนตัวแต่ไม่ต่พาะปูหลักปู้ใหญ่ข้าานั้นเอาสันท้องอไปจำนำกรก น, น้องเสร็จเนาะแต่ว่าไม่ใช่สื่อสารปัจจุนธรรมกับใครนะก็เพราะนั้นต้องธรรมชาติการอยู่การกิน จะให้มีปัญหาเรื่องอยู่เรื่องกินให้ง่ายง่ายง่ายง่ายอาจจะไม่ถูกสมิไปอาหารห้าหมูออาจจะเป็นถูกสำหรับคนที่ขี้ขาดอาหารห้าหมูแต่ว่าพวกเราไม่จำเป็นไม่จาเป็นถ้ากินแบบถ้ากินแบบ คนมีกินเหล็กมีความโลภอะไรมันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกเศรษฐียังเป็นโรกขาดอาหารเลยอาหารดีๆกินลงไปไม่ย่อยเลยท้องผูกเลยแต่เรากินน้ำเพล็กแต่สบายท้องก็ไม่ผูกเลยกินลงไปอิ่มสบายได้ไม่อิ่มก็กินน้ําลงไปเพิ่มลงไปให้มันอิ่ม ในการกินบินธบัติเลือกไม่ได้แล้วพวกเราวันนี้เป็นตัวปฏิบัติทั้งหมดถ้ามีสติม่กเกิดถูกมากเกชอบไปทั้งหมดเลยการกินการถ่ายการหลับการนอนนะได้สัดได้ส่วนได้เวลาไม่มีอะไรบกพร่องเลยถ้ามีสตินะถ้าขาดสติโอ้บกพร่องไปหลายเรื่อง ก, กายเก็ บกพร่องใจก็บกพร่องผิดพลาดไม่มไม่มีผู้ดูแลไม่มีผู้ตรวจสอบไม่มีผู้ดูแลเหมือนกับนายช่างที่ไม่ควบคุมการกราา่อสร้างปล่อยให้ผู้รับเหมาไม่มีโฟมแมนแล้วก็ก่อแล้วลุบลุลาบและเสียหายอย่างกติ หลังหนึ่งที่คนต้มก็ลังซ่อมเลยเขาละโลบละล่าหลังคาลวกเขาไม่ผูกเหล็กม <c oughs> ันก็แตกมันก็ล่าคนต้มก็ลังซ่อมเลยไม่ใช่ด้ชีวิตเราพ้องเหนกันแต่เริ่มต้นด้วยความรู้สึกตัวนะมาาันจังตั้งแต่ เริ่มต้นท่ามกลางในที่สุดไปได้สวยงามนะที่สุดก็คือวิมุตทามกลางก็คือมรกหรือมรกคือผลเริ่มต้นก็สติสมัมชัญญะเดินก้าวสู่องค์มรกสุดหมายปลายทางคือความวิมุตหลุดพ้น เอาไปคนละโลกเลยเลยหะความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาคนละโลกกับเราแล้วจะมาอยู่นี่ทําไมเขาไปกันแล้วทุกวันพามวหลงพอทุกพอสุกอยู่ทําไมแต่ว่าเกลียดกลัวอยู่สิ่งกับกับสิ่งสุกโป่งได้ได้อย่างไางพวกเราชีวิตเราจะมีค่าตรงไหนเขาพัฒนาแล้วบางคนก็ยังสูปป่บุหรี่โอ้ย อะไรกดอะไรไม่ได้ดูแลกันไม่ได้ช่วยกันไม่เมตตากันเลยเมื่อเมื่อวานสองวันน่ะมลพ่อไปนั่งอยู่ใต้ขอบสะวัดโูขอทองบ้านท่ามอปไปหวานไปปริเวกนั่งเล่นทอดกายทอดใจเจ๊ยเห็นนกกิบนกกิบตัวเล็กๆเท่าหอมแม่มือแม่ วินไปจับมแมลงมาป้อนลกูกอ้นกตัวน้อยๆไม่มีมีดมีฝวนไม่มีเครื่องทุ่นแรง <c oughs> มันกับคนหรอกอาศัยความขยันหานะเลี้ยงลกูกลูกตัวเจียมนั่งนอนแม่ก็บินไปจับเสือมาป้อนลกูก มองไปข้างล่างเห็นไก่แม่ลูกอ่อนขี่ขุยเขี่ยขุยเขี่ยห า, มาแมลงตัวเล็กๆไปเจอตรงไหนจะเลียกลูกมากินเอาชะงอยปากจับไปวางให้ลูกคนเราเนี่ยอะไรไม่ช่วยกันอะไรก็เห็นแก่ตัวอะไรก็จะเบียดเบียนกันทะเลาะวิวาทกันมันจะสู้นกกิบได้่ปล่าฮะใมออกอ้ขี้ ว่าไม่ความเมตตากคนหน้าแต่นนกกรีบอไไรนี่สุกไกไ่แมลงปออะไรของมีน้าใจนกก็เลี้ยงลูกใหญ่ไก่ก็ตัวเดียวเลี้ยงลูกได้เป็นสิบสิบนั่นชีวิตเราเนี่ยถ้าขาดสติแล้วเนี่ยบุคล่องร้ายอยาความโลภความกดความหลงมีได้กิเลสทั้งหลายก็มีได้ ควารับความชังก็ไม่ได้นะแล้วจะอยู่หรือโลกอย่างไหนมันมีโลกอันดีอันพ้นไม่มีภัยเลยก้าวออกไปเนี่ยวพวเราลู่สึดตัวลูกสึกตัวอย่าขี้เกียจอย่าขี้ขลาดนะอยู่คนเดียวก็ทำได้ไม่มีหลวงพ่อไม่มีพระสงฆ์สักลูกอ้าในโลกนี่เราอยู่คนเดียวอยู่ใดวะ อ, อยู่คนเดียวมาแก้ว อยู่ไหนหรือไงเไหโอ้ยคิดถอดลูกถอดหัวคิดถอดลานได้ประโย่น์ผลดีก็หนี่ระโยชน์หนีบ่ดีคือผลยาให้มีถ้าวัดเทนี่ไม่ดีเท่านั้นเทนนท์เทนนท์ดีกว่านี่ยาให้มีอยู่ที่ไหนะที่นั่นนั่นเป็นที่ลื่นลงคาเมว่ายาที่ว่านันเลนั่นเลว่ายาท่ว่าทะเลยัตถะอรหันตังภูมิรำวเนยยากับพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่ลุ่มก็ตามที่ร้อนก็ตามที่ป่าก็ตามที่ แกงก็ตามที่นั่นนั่นย่อมเป็นที่น่าลื่นลงอไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเราผู้มีสติอยู่ที่ไหนลื่นลงนะถ้าเราต้องปรกหัดมันล่าสมัยคนล่าสมัยเกิดมาห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปียังจําเบาอยู่ที่เก่า ยังโกรธเผินเด้อทุกยังสุขยังโลกยังหลงเขาไปกัดไก่แล้วทุกวันเนี่ยเป็นมนุษย์กันแล้วใจสูงแล้วให้ความโกรธอยู่ต่ําๆนนแต่แก่อนเราเป็นคนเหมือนทับเราอยู่คุมร้ายคุมดีใหญ่กว้างทับถมเราอยู่วั น, นี้เราเป็นมนุษย์ยกขึ้นมาแล้วสูงวันเรานั่งอยู่บนศาลาหอใจเนี่ย งูเหลือมใหญ่เลื้อยอยู่โน่นมันเขาจับงูเหลือมใหญ่มาเลื้อยอยูลล่เราเราหลอสำหับเราบางคนเราอ่านกันแล้วน ะ, ะเราต้องฝึกขัดไปรออะไรพวกเราไปเอาอะไรมาอ้างกันเอาความเป็นสาวเอาความเป็นหนุ่มเอาความเป็นแก่เลยแก่แล้วหรืออะไรแก่นะไม่มีเจ็บหรืออะไรเจ็บไม่มี ะมีแต่ความรู้สึกตัวการมีความรู้สึกตัวไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรแก่ไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรหนุ่มไม่มีอะไรสาวไม่มีหนากบวดไม่มีคราวาสไม่มีเพศไม่มีลัทธิไม่มีในกายมาแรงความรู้สึกตัวลบไปเลยนะทำไปไหนพระเจ้าไม่มีชาติชันวันนะกนะในประเทศอินเดียมีวันเนาะ ปรัตรพรามแพทย์สูตรพอเกิดทําไง้็มาเลยไม่มีเลยไม่มีเลยคนมาอย่างไงก็มามีสติก็มีสติได้ทางนั้นอย่าไรไม่เหมือนท่านพอกฉันไม่ได้บวดหลังข้อได้ปวดก็ไม่เหมือนหลังข้อแล้วยังกลัวผี่กลัวไหมแม่แก้วฮผีมันก็ไม่หลอกพระ มันหลอกแต่โยมโอ้ยก็ว้าว เ, เองนะแตบพระอะไรเป็นพระหัวล่นห่มเหลืองหรือก็ไม่ใช่อีกแลยความเป็นพระคือจิตใจที่มีสติบริสุทธิ์บริบูรณ์นัน่นเราก็มีสิทธิ์ได้ความเป็นพระเนี่ยไม่ใช่เพศจะไปเอาเพศตาข่มกันเราเป็นผู้หญิงแล้วท่านเป็นผู้ชาย เกิดเป็นผู้เยี้ยงไลยโอ้ยไม่ได้ไม่ใช่าต้องมีสติอันนี้แหละแน่นอนเมือนเอาให้ได้สร้างตัวนี้ให้ได้นะอะอตอนนี้ก็ทอานี้ก็พอละละสายแล้วอ่ะพระพร้อมกันอะรหังสัมมาสมัมพุทธเจาครั โอตังภะกะวันตังอะเวะเทตวะคตุภะคะวะตาตมุธรรมนามะจันยุปติปนุปโทสัมวะทัศนโกสังฆนามะ